บทภาชนีตีกะปาจิตตีสามร้อิบห้ยันกว่าครึ่งเดือนภิกษุสําคัญว่าย่อนกว่าอาบน้ําต้องอบัดปาจิตตีเว้นไว้แต่ในสมัยยันกว่าครึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจอาบน้ําต้องอบัดปาจิตตีเว้นไว้แต่ในสมัยยันกว่าครึ่งเดือนภิกษุสําคัญว่าเกินกว่าอาบน้ําต้องอบัดปาจิตตีเว้นไว้แต่ในสมัยทุกๆกก เกินกว่าครึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าหย่อนกว่าต้องอบัตทุกกฎเกินกว่าครึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎเกินกว่าครึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าเกินกว่าไม่ต้องอบัต